ลอดพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขและดับความทุกข์ ให้แก่ใจด้วยการทำบุญละบาปและหยุดความโลภหยุดความอยากตา่ตางๆทำให้เบาบางลงไปเพราะความสุขและความทุกขของใจมีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขและความทุกข์ ของเสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายดังนั้นถ้าเราสามารถดับความทุกข์ ของใจได้สร้างความสุขของใจได้นะเราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถรับต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆของร่างกายได้ความสุขความทุกขของร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขกับความทุก ของใจก็เหมือนสุนัข ก, กับชาเวลาร่างกายมีความสุขแต่ถ้าใจมีความทุกข์ความสุขร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ของใจได้เช่นเวลาที่ร่างกายเราเป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อดอยากขาดแคลนมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขความสมบูรณ์ของร่างกายไม่สามารถมานลบรางความทุกข์ของใจได้ในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความสุขแล้วแม้ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลน ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่มีความหมายเพราะจะถูกความสุขของใจนี้กลบเอาไว้ลบล้างได้ทำให้ใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสำคัญ ต่อการสร้างความสุขทางใจและการดับความทุกข์ทางใจอิ่งกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายและดับความทุกข์ทางร่างกายเพราะความสุขและความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นเพียงความสุขความทุกข์ชั่วคราวต่อให้มีความสุขมากน้อยเพียงใดเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านแสนล้าน แต่ก็เป็นความสุขชั่วอายุไขของร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วหรือพอร่างกายแก่พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขที่ได้จากการมีเงินร้อยล้านแสนล้านก็จะไม่สามารถมาดับความทุกทางร่างกายได้ เช่นเดียวกับความสุขที่เราไดจากกาา้จากการดื่มจากการรับประทานจากการดูจากการฟังจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็เป็นความสุขประเดียวปรดาวความสุขชั่วคราวพอเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราหันมาให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขทางใจและดับความทุกข์ทางใจแล้วต่อไปเวลาล่างกายจะเป็นอะไรหรือเราจะตกทุกได้ยากลำบากลำบนอย่างไรจะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความทุกข์ของทางร่างกายความสุขทางใจนี้สามารถกดหรือลบล้างความทุกข์ทางร่างกายได้เลยดังนั้นเราจึงควรให้ความสาคัญต่อการมาสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจดีกว่าโดยการทำบุญโดยการละบาปโดยการหยุด ความโลภหยุดความอยากต่างๆทำให้มันเบาบางลงไปทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็จะสร้างความสุขให้กับใจและดับความทุกข์ให้กับใจทุกครั้งที่เราไม่ทำบาปก็เช่นเดียวกันทุกครั้งที่เราหยุดความโลภหยุดความอยากได้เราก็จะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงนี่เป็นวิธีที่พระพเจ้าได้ทรงบังเก็นมาได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐแล้วพระ อ, องค์จึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่รู้ความจริงอันนี้ยังหลงอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายกันอยู่ ยังหลงกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาลาบหายยศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกติ้งกายกันอยู่แต่ความสุขเหล่านี้ทำให้เราไม่มีความทุกข์ได้หรือไม่หรือว่าเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย ไม่ว่าจะเป็นคนไม่มีตำแหน่งไม่มียศหรือคนที่มีตำแหน่งมียศที่สูงสุก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เหมือนเดิก็เพราะว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปทำลายความทุกข์ทางใจไม่สามารถสร้างความสุขทางใจได้นั่นเอง ทางเดียวเท่านั้นก็คือทานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพิญมาคือทำบุญให้มากๆละบาปให้มากๆและหยุดความโลภหยุดความอยากให้หมดให้ได้ถ้าทำได้แล้วใจของเราก็จะเป็นเหมือนใจของพระพุทธเจ้าเหมือนใจของพระอรหนันตสาวกทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์ใจเลยจะไม่ จะมีแต่ความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อม <Yeah. S 1> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายร่างกายจะต้องพัดพาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ก็จะไม่ได้ทำให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนใจอย่างใด <Yeah. S 1> อันนี้แล้วเป็น สิ่งที่เราควรให้ความสาคัญและพยายามทำให้มากๆทำได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขใจมากขึ้นมีความทุกข์ใจน้อยลงไปแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางร่างกายเราก็จะต้องทุกไปเรื่อยๆเพราะว่าความสุขทางร่างกายไม่เที่ยงนั่นเอง แล้วก็เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาทางสุขทางร่างกายต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับเงินทองก็เป็นของไม่เที่ยงเงินทองก็มีมามีไปได้มีมากขึ้นได้มีน้อยลงได้เวลามีมากขึ้นก็ไม่เป็นปนัญหาอะไร แต่เวลามีน้อยลงไปก็จะเกิดปัญหาเกิดคาวามวุ่นวายใจขึ้นมาเช่นเดียวกับยศก็เหมือนกันตำแหน่งต่างๆถ้าเวลาขึ้นก็ดี อ, อกดีใจกันเวลาลดลงก็เสีย อ, อกเสียใจกันสรรเสริญก็เช่นเดียวกันเวลาได้รับการสรรเสริญเยินย อ, ยอ ก, นก็ดี อ, อกดีใจน่าชื่นตาบานกัน พอถูกคาราหานิมทาตำหนิติเปียนก็เกิดหน้าบึ้ขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราใช้ตาหูจมูกนิ้วกายเสกเพื่อให้ความสุขรูปเสียงกลิ่นรสผัทพะก็ไม่แน่นอนบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็มาบางทีก็ไป เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาไปก็ไม่ได้เช่นเวลาเจอคนดีอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดก็สั่งไม่ได้ถ้าเขาอยากจะไปหรือเวลาเขาจะไปเขาก็ไปเวลาเจอคนไม่ดีอยากจะให้เขาไปก็สั่งเขาไม่ได้เวลาเขาจะอยู่เขาก็อยู่ เวลาเขาจะไปเขาก็จะไปนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราจะต้องรับอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไปหาความสุขแบบนี้กันเองไปหาความสุขที่ไม่เที่ยงไปหาความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะก็มีความอยากให้ความสุขนี้อยู่กับเราไปนานๆแต่ความสุขเหล่านี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาอยู่กับเราไปานานๆไม่ได้พอเขาหมดไปเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็หาใหมา่หาใหม่อีกก็ก็เจอความทุกข์อีกพอหามาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเช่นเราออกไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขใจพอกลับมาบ้านความสุขใจที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไป ก็ทำให้เราต้องออกไปหาอีกออกไปเที่ยวอีกเที่ยวเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้อยู่ไื่เลิแล้วพอร่างกายไม่สามารถออกไปเที่ยวได้ตอนนั้นก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจใหญ่หรือเวลาไม่มีเงินทองอยากจะออกไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้อยู่ดีนี่แหละคือความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่ เป็นความสุขเหมือนแสงไฟไฟที่กอะไฟเหมือนแมลงพวกเราเป็นเหมือนแมลงมากเวลาเห็นไฟเห็นแสงสว่างของไฟก็อยากจะเข้าใกล้แต่พอเข้าไปใกล้ก็ถูกความร้อนของไฟเผาให้ตายไป mm hmm. ฉันใดความสุขที่พวกเราสวางหากันนี้ mm hmm. ก็เป็นเหมือนกองเพลิงกองไฟ พอเราเข้าไปหาความสุขในกองเพลิงกองไฟเราก็ถูกกองเพลิงกองไฟนีบเผาเราเราร้องโหมร้งองไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันวิตกกังวลหวาดกลัวกันต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าเราเดินเข้าหากองไฟนั่นเองเรากเดินเข้าหากองทุกข์กันเราเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นอนิจจ์ทุกขขังอนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้มีการเกิดมีการดับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังครับให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้พอเราไม่ได้ตามความต้องการความอยากเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดว้าวุ่นขุดมวัววุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนถึงกับบางครั้งอยากจะฆ่าตัวตายไป นี่ก็คือเรื่องของพวกเราที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่รีบถอนตัวเราออกจากกองทุกข์อันนี้ถอนออจากกองเปื่ออันนี้สักวันหนึ่งเราจะต้องเดินกองทุกข์ที่ใหญ่เข้ามากระหน่ำใส่เราตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะรับกำลังได้หรือไม่ แต่ถ้าเราถอนตัวเราออกมายุติการหารากยศสรลเสริมหาความสุขทางรูปสีกลิ่นรสโผฏฐาาแล้วหันกลับเข้ามาหาความสุขทางใจเช่นมาทำบุญกานทำบุญก็คือเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขชั่วคราว เราก็เอามันนี้มาทำบุญแทนพอทำบุญแล้วใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความอยากเที่ยวก็จะ อ, ออกกำลังลง <c oughs> ก็ทำให้เราอยู่บ้านได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญ <c oughs> แล้วครั้งต่อไปถ้าเรามีเงินเราอีกจากจะไปเที่ยวอีก เราก็เอามาทําบุญอีกทําอย่างนี้ไปทุกครั้งแล้วต่อไปความอยากเที่ยวก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเที่ยวก็จะไม่มีเราก็จะอยู่บ้านาได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะเรามีความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญนี้นีคือวิธีที่เราจะถอนตัวเราออกจากกองเพลิง ออกจากกองทุกข์ของลาบยศสารเสริญของรูปสิ่กลิ่นรสของร่างกายด้วยการไม่ใช้ร่างกายหาความสุขเราจะมาใช้จิตใจของเราหาความสุขเช่นวันที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเราอยู่บ้านเราก็มารักษาศิ่ได้ถ้าอยู่บ้านการรักษาศี่นี่ก็จะง่าย ถ้าออกนอกบ้านเพื่อไปหาเงินหาทองเพื่อไปใช้เงินใช้ทองนี้กับการจะศศรักษาศีลก็ยากเช่นเวลาออกไปเที่ยวก็บางทีก็อยากจะไปดื่มสุราบางทีก็จะไปยิงนกตกปลาไปทำบาปทำกรรมแต่ถ้าเราไม่ออกไปเที่ยวเราอยู่บ้านเราก็จะศศรักษาศีลอย พอเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ใจของเราก็มีความสุขเพ้่มากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลงไปเพราะเราไม่ได้ทำบาปเวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะไม่สบายจะมีความวิตกกังวลจะเป็นเหมือนวัวสันนินวัดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษกลัวว่าจะถูกแก้แค้น เพราะเราไปทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปทำบาปไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจไม่วิตกกังวลว่าจะต้องมีคนมาร่างแค้นมาทำร้ายเราหรือมาจับเราไปลงโทษเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเข้าเทียดแค้นโกรธเคือง ไม่ได้ทำให้ผู้เสียหายเราก็เลยอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายใจไม่วิตกกังวลไม่ทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นความสุขใจระดับที่สอความสุขใจระดับแรกก็คือการทำบุญการให้ความสุขแก่ผู้อก็จะทำให้เราได้ความสุขใจกลับมา การไม่ทำโทษไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ใจกลับมาใจของเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วถ้าเราอยู่บ้านได้ไม่ทำบาปได้เราก็จะมีเวลาที่มาหยุดความอยากให้เต็มที่ได้ถ้าเรารู้จักวิธีควบคุม ความคิดของเราควบคุมใจของเราเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เพราะความอยากนี้เกิดจากความคิดของเราเวลาเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นทันทีคิดถึงคนนั้นก็อยากจะพบเขาบ้างอยากจะเจอเขาบ้างอยากจะคุยกับเขาบ้างคิดถึงละครก็อยากจะดู คิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานคิดถึงสถานท่องเที่ยวก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวถ้าเราไม่อยากจะมีความอยากเหล่านี้เราก็ต้องบังคับใจของเราอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆวิธีที่จะห้ามใจก็คือใช้อุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ก็คือให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจ อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ให้คิดอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆทั้งวันไม่ว่าเราจะทำอะไรใจของเราก็จะไม่มีความอยากเวลาไม่มีความอยากใจของเราก็จะเย็นจะสบายแล้วพอเราไม่ต้องทำอะไร เรานั่งเฉยๆหลับตาท่องพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจเราก็เข้าสู่ความสงบอยา่างเต็มที่ความหยาบหายไปหมดตอนนั้นเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าการได้ออกไปเที่ยวการไปซื้อของต่างๆความสุขเหลานั้นสู้ความสุขที่ได้จากความนิ่งความสงบของใจไม่ได้เลย พอเราได้ความสงบอย่างนี้แล้วเราจะเห็นคุณค่าของการทาบุญของการรักบาปของการหยุดความอยากหยุดความโลภต่างๆเราก็จะพยายามทำให้มากขึ้นมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็เอาไปทำบุญให้หมดทำแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นส่วนที่ไม่จำเป็น เอาไปทำบุญดีกว่าดีกว่าเอาไปเที่ยวดีกว่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ให้ความสุขเดียวๆแล้วก็สร้างความอยากเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกสร้างความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอีกใจก็จะไม่มีวันได้มีความสุขเหมือนกับเอาเงินทองไปทาบุญทาบุญแล้วก็จะอยู่บ้านรักษาสี่งได้ ก็จะยิ่งมีความสุขมากเพิ่มมากขึ้นรักษาศีลได้ก็จะทำให้สามารถควบคุมความคิดของตอนเองได้ควบคุมความคิดให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธได้ไม่ต้องไปออกไปข้างนอกอยู่บ้านพุทโธพุทโธนั่งอยู่เฉยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วก็ถึงความอิ่มถึงความพอ ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรถึงแม้จะไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนถึงแม่คนที่เรารักจะจากเราไปหรือเขาเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเพราะใจไม่ไปวุ่นวายกับใคร ใจอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้แต่เวลาที่ออกมาจากความสงบ<ม>เวลาออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องควบคุมความอยากนี้จะควบคุมก็ทำได้สองวิธีด้วยกันก็คือท่องพุโทโธต่อไปอย่าไปคิดอะไรเหมือนกับตอนที่ เรายังไม่ได้เข้าสมาธิก็ท่องพุโทโธไปควบคุมความคิดเอาไว้ใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเวลาใดที่เราเผลอไม่ได้ท่องพุโทโธใจก็จะออกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะทำให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ ถ้าเราอยากที่จะกำจัดความอยากความทุกข์ใจอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องใช้การท่องพุโทโธพุธโทโธเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราคิดถึงคนที่เราคิดถึงหรือสิ่งที่เราคิดถึงนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เวลาเขาเจริญก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาเสื่อมก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาเปลี่ยนไปก็ห้ามไม่ได้ถ้าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราใช้ปัญญาสอนใจพอใจเกิดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากให้เป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นทันทีเลยว่าพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่นี่คือการสอนใจให้หยุดความอยากด้วยปัญญาถ้าใจเห็นว่าความอยากนี้เป็นโทษนัสิ่งที่อยากได้ก็ไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไป ได้สามีมาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปได้ภรรยามาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เสียไปสู้อย่าเอามาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากดีกว่าเวลาไม่อยากเราใจนี่แสนจะสบายแสนจะอิ่มแสนจะพอนี่คือเราต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่ได้เรื่อย หลังจากที่เราออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วอยากจะรักษาความสงบไวต่อไปก็ต้องคอยใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะถ้าเกิดความอยากเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์เมื่อนั้นถ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ให้เขาเที่ยงให้เขาอยู่กับเราไปตอลอด ให้ความสุขกับเราโดยตลอดถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่ไประหยัดได้อะไรเพราะได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนจากไปเป็นอย่างไรเวลาสามีภรรยาจากไปเป็นอย่างไรเวลาเงินทองหมดไปเป็นอย่างไรเวลาตำแหน่งหมดไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาสรรเสริญหมดไป แล้วเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันมีวันหมดมันมีมามีไปเป็นธรรมดาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรการไม่มีนีแทนที่จะมีความทุกข์กับมีความสุขมากกว่าตอนที่มีเป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามาะลาภยศสารเสริญจะเสื่อมหมดไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอใจมีความสุขที่เกิดจากความไม่อยากที่เกิดจากการทำใจให้สงบด้วยการทำบุญละบาปนี้เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างไม่มีความทุกข์เราก็ต้องทำตามคาสอนของพพระพุทธเจ้าก็คือทำบุญละบาปได้หยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงถ้าเราทำได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุข ดับความทุกข์ของใจด้วยการทำบุญด้วยการละบาปด้วยการหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดวยความอยากต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและการดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ